ก็เราได้ <c oughs> นั่งสวดสาธยายหมุนสาธยายทำรรวัดเย็นแต่มาคอสวดอริมักมี8งคหลักของพุทธศาสนาแล้วก็มาสวดอภิธรรมนั่งกันยาวก็ถือว่าเป็นการภาวนาไปด้วยบริกรรมภาวนาการสวดเป็นการบริกรรมภาวนานทีนี้ ถ้าว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าใครจะมาถามเราว่าทำไมในงานศพต้องสวดอภิธรรมเท่านั้นให้สวดอย่างอื่นบ้างไม่ได้หรือเราจะตอบว่าไงอ่ะในฐานะเป็นชาวพุทธต้องให้คําตอบเขาได้นะว่าเราสวดอภิธรรมเพื่อเพื่อใครเพื่อคนตายหรือคนเป็นอตอบไม่ได้อ ซึ่งก็ความเชื่อของเราก็บอกว่าอภิธรรมิตคัมภีเนี่ยพุทธเจ้าไปเทศไปแสดงทําให้พุทธมารดาฝั่งอยู่บนสวรรค์จันดุสิตสันนบดึงก็ได้ถือกันว่าอภิธรรมิตคัมภีร์เทศในสวรรค์มันนั้นเอามาสวดให้คุณตายฝั่งคุณตายอาจจะได้ขึ้นสวรรค์ด้วยนี่ซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อที่ ค่อนข้างจะไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นะที่เราตงในฐานะชาวพุทธเนี่ยถ้าหากว่ามีความเป็นมาเพียงแค่ น, นี้คงไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่เป็นเรื่องค่อนข้างจะไร้สาระโด้วยซ้ำไปนะแต่ถ้าหากว่าเรามาวิเคราะห์แบบชาวพุทธจริงๆที่ที่น่าจะสมภาคสมภูมิกันเนี่ยเราควรจะอธิบายอย่างไรวันนี้เรามาวิเคราะห์ร่วมกันในฐานะเป็นชาวพุทธ ถ้าหากว่ามีเพื่อนต่างศาสนาต่างลทัทธินิกายมาถามพราะเรามีเพื่อนต่างศาสนาบางคนมีเพื่อนต่างศาสนาเยอะแย ะ, แยะทีนี้พาเพื่อนไปในงานสวดญาติสวดครูบาอาจารย์อย่างนี้แหละถ้าเกิดเพื่อนถามขึ้นมาเราจะตอบว่าไงว่าทําไมต้องสวดอริธรรมเจ็ดคัมภีร์อธิบายในฐานะเป็นชาวพุทธเนี่ยที่พอฟังได้อธิบายว่าไงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ควรจะทราบนะส่วนเราจะอธิบายได้อย่างที่เราวิเคราะห์กันวันนี้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะวิเคราะห์ได้โดยย่อนะเพราะฉนั้นวันนี้ขอเล่าเรื่องนี้ขอวิจัยเรื่องนี้ให้ฟังว่าเถอะวิจัยร่วมกันช่วยกันคิดช่วยกันศึกษาที่จะได้ประโยชน์ร่วมกันนะแต่หวังว่าอาจารย์กำพลคงไม่เบรกกลางเหมือนเมื่อวานเนะื <c> ่อ <oughs> วันกำลังเทศอยู่ดีเบรกกลาง <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้คงไม่มีแน่นะ่ะ ก็ขออนุญาตกำพนไปก่อนอาจารย์กำพนไว้ก่อนกันเลยกันเผื่อจะไม่เบดกันนะขออนุญาตวิจัยทำร่วมกันนนี้นะเรื่องอภิธรรมเจ็คมภีนะซึ่งเราเคยได้ยินประวัติใช่ไพุทธประวัติว่าในพรรษาที่7เนี่ยหลังจากที่พระองค์ได้เผยแผ่ในถึงพรรษาที่7แล้วท่านก็ไปเรียก ว, ว่าโปรดโยแม่ พุทธมารดาึ่งซึ่งไปหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะไปสู่ได้เจ็ดวันใช่ไมพนางสิริมหามายาก็ถึงแก่พระชนชีพหรือวัยชนถึงสัญญกรรมก็แล้วแต่นะหรือสิ้นพระชนแล้วแต่เวลาชาสับก็ไปจุติไปอุบัติอยู่ที่นู่นสวรรค์ชั้น ดุสิตนะเพราะฉะนั้นพระมารดาก็ยังอยู่ที่นั่นดังนั้นเป็นเทพปฏิดาที่อยู่สวรชั้อเทวดาอยู่ที่นั่นเมื่อพระองค์เผยแพร่พุทธศาสนาไปพรรษาที่เจแล้วก็พรรษาที่เจก็ขึ้นไปตามประวัติอันนี้อนิวาตตามประวัติไว้ก่อนนะขึ้นไปจำพรรษาอยู่ที่สวรรติดุสิตเพื่อชี้แจงเทศให้กับพระมารดาฟังตามประวัติแล้วก็ท่านก็ไปให้พระอานนุ์ ทำหน้าที่ไปรับบิณฑบาตมาถวายนะแต่ความจริงแล้วท่านบอกว่ า, าเรื่องของอภิธรรมนะที่ประเทศตรงนั้นความจริงน่าจะต้องเข้าใจแบบพุทธเราก็คือว่าในพรรษาที่เจ็ดหลังจากที่พระองค์ได้เผยแผ่ศาสนาไปกว้างไกลพอสมควรเนี่ย ท่านต้องการที่จะไปพักที่แห่งหนึ่งตัวนั้นชื่อว่าเชิงเขาหิมาลัยนะเชิงเขาหิมาลัยทีนี้ตามปกติในสมัยนี้นะคนมีอันจะกินทั้งหลายเนี่ยมักจะไปสร้างบ้านต่อากาศหรือรีสอร์ตตามป่าตามเขาทางเขาชั้สูงเนี่ยนะโดยเฉพาะในยุโรปในอเมริกาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาชอบไปสร้างบ้านในป่านในเขาชัสู ง, สงมืองไทยเราก็เดี๋ยวนี้ก็ไปหมดละ ก็ไปพักที่นั่นปรากฏว่ า, าได้รับตามปติคนที่ทำรีสอร์ทหรือบ้านพักตากอากาศเป็นคนที่มีอันจะกินนะเป็นเศรษฐีก็มีโยมผู้หญิงหนึ่งมาปรวราในปรวราณาไว้ว่าในช่วงที่พระองค์ได้พักที่นี่เนี่ยหนึ 1, ่งพันษาจะขอเป็นผู้ทำอาหารถวาย อ่านถวายเสร็จแล้วก็ชวนเพื่อนฝูงด้วยกันนี่แหละม า, าทำบุญกับพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วจนตลอดในพรรษาเนี่ยพระองค์ก็ได้แสดงธรรมแก่คนกลุ่มนี้ซึ่งถ้าหากว่าเป็นคนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็คงจะเทศทั่วไปแต่เนื่องจากว่าคนที่อยู่ใน บ้านตาอากาศหรือเป็นรีสอร์ตในสมมติว่าในสมัยนั้นนะถ้าจะเทศเรื่องธรรมดานี่ก็คงจะไมะ่คือคนมีการศึกษาคนมีอันจะกินเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเทศเรื่องที่สูงขึ้นไปเทศเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอายตนะเรื่องและให้ฟังเป็นคลังค่าวไปรวมแล้วในภาษานั้นท่านเทศอยู่7เรื่องนะเทศเจ็ดเรื่อง นะเรื่องที่หนึ่งก็ที่เราสวดอากุศลธรรมะอกุศลธรรมะปยากตาธรรมะกตเมธรมากุศล า, ายาาาาเจสิงสมัยกรรมมาวิจารกุศลังกิตตังเนี่ยเราก็สวดกันนะในเนื้อหาสาระในรายละเอียดแล้วนี่มันเป็นเรื่องของอภิธรรมเนะี่ยท่านแต่โดยที่จะเข้าใจกันได้ก็คือรำในโลกมันอยู่สามธรรมทำที่ดี ทาที่เป็นกุศลทาที่เป็นอกุศลและทาที่เป็นอพยปิตพรางั้นหมายควาว่าทาที่เป็นฝ่ายที่จะทำให้เกิดบุญทำชั่วฝ่ายให้เกิดบาปและทาที่ยังไม่แน่ใจจะเป็นบุญเป็นบาปาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คว่ากุศลเนี่ยซึ่งแปลว่าฉลาดอากุศลแปลว่าไม่ฉลาดนะตามศัพท์นะแต่เราแปลว่าดี กุศลสู้ปัสสาวะทํากุศลให้ถึงพร้อมแต่ว่าใช้คำว่ากุสโลบายอุบายที่ฉลาดอุบายที่เป็นกุศลนะเพราะฉะในพุทธศาสนาท่านจะใช้คําว่ากุศลแต่ในศาสนาทั่วไปรวมพุทธศาสนาด้วยท่านจะใช้คําว่าบุญทําบุญทําบาปแต่ในพุทธศาสนาทํากุศลและอกุศลนี่ตรงนี้เราจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าในพุทธศาสนาเน้นกุศลและอกุศลแต่เอามาพ่วงกันกุศลผลบุญ กุศลเป็นผลของบุญมาก็เลยบอกบุญเป็นผลกุศลแลเป็นเหตุคนเราที่จะทำจะพูดจะคิดอะไรเนี่ยถ้าพูดเป็นทำเป็นคิดเป็นเรียกว่าคนมีกุศลคนมีอุบายคนฉลาดคนพูดไม่เป็นทำไม่เป็นคิดไม่เป็นก็เป็นคนที่เป็นอกุศลคือไม่ฉลาดพูดไม่ฉลาดทําไม่ฉลาดคิด ผลของการทําที่ไม่ฉลาดพูดไม่ฉลาดทําไม่ฉลาดคิดผลออกมาค่อยมักจะไม่ดีมักจะเสียหายมักจะเกิดความเดือดร้อนเราก็มาสมมุติว่าเป็นธรรมที่ไม่ดีซะอกุศลเนี่ยแต่คนไหนที่เป็นคนฉลาดพูดฉลาดทำฉลาดคิดมักจะได้ผลออกมาดีเขาเรียกคนนี้เป็นคนฉลาดก็เลยมีผลออกมาเป็นบุญและเป็นสุขว่ากันนี่คือในหลักพุทธศาสนา แต่อีกส่วนหนึ่งคนบางสิ่งที่เราทําอย่างตัดสินไม่ได้ว่ามันฉลาดหรือไม่ฉลาดแล้วดีหรือไม่ดียังตัดสินไม่ได้คือยังพยากรณ์ไม่ได้อภยากตาธรรมมาทำที่เป็นอภยากรคือทำที่ยังพยากรณ์ไม่ได้ว่าทำนี่เป็นกุศลหรอกุศลนะอันนี้หลักใหญ่เล ย, ยกัตเมธรรมากุศลายัสมิงกุศลายัสมิงสมเยกามาวัาจลังกุศลังจิตตังอุปันังโหติเห็นว่า ทีนี้ถ้าทําที่เป็นกุศลอกุศลทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นทางไหนเกิดถึงองยะตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสมาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วนี่เราเอาอะไรไปรับเอาเกิดความมีสติไปรับหรือว่าเอาขาดสติไปรับเอาอาวิชชาไปรับหรือว่าเอาอาวิชชาไปรับในขณะที่ตากระทบรูปเนี่ยเราดูเราเห็นด้วย สติหรือเห็นด้วยอวิชชาเห็นด้วยวิชาหรืออวิชาถ้ามีสติในการกระทบปับ๊บสิ่งนั้นก็เป็นกุศลถ้าหากว่าตาเห็นรูปขาดสติปับ๊บก็เป็นอกุศลถ้าตากระทบรูปตาเห็นรูปแล้วจะว่ามีสติก็ไม่ใช่จะว่าขาดสติก็ไม่เชิงไม่ได้ตั้งใจอันนี้ยังพยากรณ์ไม่ได้ว่าเป็นกุศลนอกกุศลนี่ร่วมด้วยโศพนัตนั่นว่า ยาณนะสัมปยุตตังถ้าหากว่าเห็นการเห็นของเราประกอบด้วยความรู้กับการมีสติธรรมนี้ก็เป็นกุศลการเห็นของเราได้ยินทั้งหมดนะแต่ยกมาอายตนะเดียวยกมาเฉพาะตาแต่ก็มีการได้ยินได้หูดม ก, มกมดิ่นด้วยจมูกสัมผัสด้วยรถลิ้นโดยรถแล้วก็สผัสทางกายแล้วก็อารมณ์ที่ถูกกับใจเนี่ยประกอบด้วยสติหรือไม่ถ้าประกอบด้วยสติจิตก็เป็นกุศล แต่ถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงเกิดรูสัมผัสไม่มีสติจิตก็เป็นอกุศลแต่ทางกระทบทังอยายัดทั้งสองกระทบกันแล้วไม่ได้ใส่ใจว่าเป็นดีหรือไม่ดีมีสติหรือไม่มีสติตรงนี้ก็เป็นพยากรณ์ไม่ได้ว่าเป็นกุศลหอกุศล น, น่นเนี่ยที่ใจความในหมดนี้น ะ, ะท่านก็จะเทศในเรื่องนี้ให้ให้ฟังในวันแรกในสวรรค์ชั้นดาวดุสิต พอในวันที่สองในครั้งที่สองคงจะเป็นครั้งละทั้งหมด7ครั้งในเวลาสมเดือนเนี่ยครั้งที่2ก็มาเทศว่ารูปักขันทาวเวทนากขันโทสัญญาขันโทสังขารักขันโทวิญญาณักขันโทตถาคตโมรูปักขันโทอ่าฉันบอกว่าในร่างกายของเราประกอบด้วยขันทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะขันทั้งห้าเป็นกองทั้งหกองเนี่ย สังขารัะะตตะกตมรู ป, ประโดอย่างเจเจรู ป, ปังอาดีตานากตะปัจจุ ป, ปนังอชัด ต, ตังวาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันรูปเนี่ยเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามหมายของร่างกายของเราประกอบด้วยสองอย่างกายกับใจรูปกับนามอ่าประกอบกันขึ้นแล้วประกอบด้วยปารลอารมณ์ต่างตรัง ปารกอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นทั้งที่มันจะเกิดรูปนามกระทบกันแล้วมันมีเรื่องเป็นอดีตก็มีกระทบกันแล้วเกิดคิดเรื่องอนาคตก็มีเรื่องเลวก็มีเรื่องประนิตก็มีเรื่องถูกก็เรื่องดีก็มีเรื่องร้ายก็มีถ้ารูปกับนามสองอันเนี่ยถ้ามีอะไรมากระทบนะมันก็จะเกิดเป็นความคิดขึ้นมาเป็นกองเป็นกองกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณ ความจริงแล้วเลี้ย่อเหลือสองคือกายกับใจกายนี้ประกอบด้วยธาตุสีดินน้ำรวมไฟใจนี้ก็ประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วเหลือสองคือกายกับใจรูปกับนานะมก็จะพูดถึงเรื่องอารมณ์กรรมฐานแหละนะหวดนี้ต่อมาวันต่อมาถ้าระเทศเรื่องอะไรสังขาหโหสังขารโหสังขีเตนะสังคีตังสังขีเตนะสังขี ส, งสังไปสมัคเราฟังก็งง ง, ง, งนะ มันอะไรกันแน่การสงเคราะห์การไม่สงเคราะห์แต่ท้าหมดนี้ท่านบอกว่าคนเราเนี่ยมันเข้ากันด้วยธาตุธาตุบางทีมันจะมีะคนที่ธาตุถูกต้องกันด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเมื่อคนบางอย่างเข้ากันได้บางอย่างเข้ากันไม่ได้ท่านบอกว่า สังคะเหตุสงเคราะห์สังคะสังฆะคือสงเคราะห์กันถ้าหากว่าสิ่งที่มากระทบมันถูกใจเราก็เรียกว่าถูกใจเรามันก็เรียกว่าสงเคราะห์กันได้เช่นว่าการพบกับสิ่งที่อันเป็นที่รักเราก็ชอบใจพัดภาคกับสิ่งที่ไม่รักพัดภาคในสิ่งที่รักเราก็ไม่ชอบใจหรือประสบกับสิ่งที่ไม่รักเราก็ไม่ชอบใจเนี่ยบางอย่างสงเคราะห์ เข้าได้บางอย่างสงเครลอกเข้าไม่ได้สมยามิมุตโตอสมยามิมุตโตกุปธรรมโมอกุปธรมโมอมมนันว่าอันนี้เป็นเรื่องของอเรื่องของอภิธรรมจะเข้าใจยากสักนิดหนึ่งแต่ความจริงแล้วก็คือพูดถึงสภาวะจิตของคนเราเนี่ยมันเป็นธาตุเป็นขันธ์เท่านั้นนะเป็นกองของรูปก็เป็นกองของนามบางอย่างเข้ากันได้บางอย่างเข้ากัน ไ, ไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องรักษาธาตุสีของเราเนี่ย ให้เข้ากันได้ถ้าตสีดินน้ําลมไฟว่าเราเป็นคนธาตุอะไรถ้าเราเป็นคนธาตุดินเราก็จะเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นมั่นคงเราก็ต้องปรับนะถ้าเป็นคนธาตุไฟเป็นคนใจร้อนใจเร็วใจเร่าร้อนเป็นคนธาตุลมก็เรียกว่าเป็นคนหุนหันพันเล่นอย่างเงี้ยนะเป็นคนธาตุน้ําก็เป็นคนเอึบอาบอิ่มคนใจเย็น เราก็ดูคนด้วยธาตุคบคนด้วยธาตุถ้าหากว่าดูคนที่มีธาตุเข้ากันเน่ยคบกันง่ายถ้าคนคนละธาตุธาตุไฟกับธาตุน้ําไปอยู่ด้วยกันก็ไม่เคยถูกกันธาตุน้ํากับธาตุดินไปอยู่ด้วยกันก็เข้ากันได้ดินกับน้ำถ้าลมกับไฟอยู่ด้วยกันก็ดีนี่เขาเรียกว่าเราก็อยู่คนด้วยธาตุเราจะเห็นว่าคนสังคมเนี่ยบางกลุ่มก็เข้ากันได้บางกลุ่มก็เข้ากันไม่ได้ขัดแย้งกันก็ด้วยธาตุ อันนี้ท่านก็พูดให้ฟังเรื่องนี้ต่อมาท่านก็พูดถึงเรื่องของบัญญัติบัญญัติต6ประการอยายตนะบัญญั ต, ติหมายความว่าในกายกับใจของเราเนี่ยเมื่อเอามาสงเคราะห์แล้วเนี่ยมาเข้ากันแล้วกายกับใจร่างกายเนี่ยมันเป็นสมมุติบัญญัติเป็นรูปนะเป็นรูปในความจริงมันก็คือท่าสีเนี่ยเอาบัญญัติ บัญญัติว่าเราไปเรียกคนคนนี้ว่านายดินในน้ําในลมในไฟเนี่ยไม่ไมีใครรู้จักกันดินน้ำํำลมไฟก็มาบัญญัติเป็นนายกนายขอบัญญัติมาเป็นพระเป็นเนนบัญญัติมาเป็นหญิงเป็นชายแต่ความจริงทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็คือแค่ท่าสี่ดินน้ำํำลมไฟแต่ต้องบัญญัติสมมุติขึ้นมาให้รู้เรื่องกันที่ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยเราก็ติดบัญญัติ ใครมาด่าเราว่านีน่ดินน้ําลงไฟเนี่ยเราไม่โกรธของจริงมันถูกนะคุณดินเป็นอย่างนั้นคุณน้ําเป็นอย่างนี้คุณไฟเป็นอย่างนี้คุณดินน้ําลงไฟไม่ไดีเราก็ไม่รู้สึกโกรธแต่ใครมาบอกันายแดงเป็นนั้นเป็นนี้ขึ้นมานี่โกรธขึ้นมาเนี่ยเพราะเราไปติดบัญญัติตัวนั้นแต่เราไม่รู้จักของจริงถ้าเรารู้จักปฏิบัติภาวนานเนี่ยเรากลับมาหาตัวเดิมของเราว่าใครมาด่าเราเราก็ไม่โกรธเพราะด่าไม่ถูก ก็ด่าไม่ไถูกได้ดินน้ําำลมไฟก็คุณด่าใครอ่ะด่าทุนี้เหรออันนี้ไม่ใช่ในายแดงนะอันนี้คือดินน้ําำลมไฟอันนี้เรียกว่าเราปฏิบัติพิปัสนาที่เข้าใจได้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติพิปัสนาใครมาดา่านายแดงเป็นหมูเป็นหมานี่เกิดเรื่องเลยทั้งๆ้งที่เขาด่าไม่ถูกนะความจริงไม่ใช่ในายแดงความจริงแท้ก็คือดินน้ําำลมไฟแต่เราก็ต้องบัญญัติมาใช้เพื่อที่จะให้ในโลกในสังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันได้นะ โลกมันมีสองส่วนส่วนที่เป็นสมมติก็เรียกว่าเป็นโลกียธรรมในส่วนที่เป็นปรามาตัตร์ก็เรียกโลกุตระธรรมในกายในใจของเราเนี่ยนะมันก็มีสองส่วนอยู่อย่างนี้ให้เราเข้าใจเ <dem ain> มืม่อเราเข้าใจว่ากายมันมีสองส่วนส่วนที่เป็นรูปได้กินดินน้ํำลมไฟส่วนที่เป็นนามได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราแต่ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติวิปัสสนาเราจะมาเห็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ยอมรับอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะเรายังไม่เกิดปัญญา ด้านนั้นเราจึงมาปฏิบัติพิปั ส, สนาอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอยู่เนี่ยเพื่อที่จะให้พวกเราทั้งหลายมาเข้าใจชีวิตเป็นอย่างนี้เพื่อเราจะไม่ได้ยึดว่าเราเป็นนู้นเป็นนี่สมมุติกันใช้เหมือนกะลิเกเขาเล่นนะเราเขยอมรับได้ลิเกเขาเล่นสมมุติคนนั้นเป็นพระราชาคุนเนรราชินีในช่วงที่แสดงใช่ไหมแต่พอเลิกหลังแสดงไปหลังฉากแล้วก็เป็นชาวบ้านธรรมดานี่แต่ตอนที่อยู่บนเวทีนูแสดงกันเอาเป็นเอาตาย เราก็พลอยร้องไห้หัวเราะกับเขาสนุกกับเขาไปด้วยใช่ไหมแต่ทั้งๆ ท, ที่รู้เป็นเรื่องแสดงอันนี้ก็เหมือนกันน่ะเราก็ทั้งที่ทรู้ว่าตัวนี้เป็นเรื่องสมมติใครมาดา่าเราเราก็โกรธใครมาชมเราเราก็ดีใจใครมารั ก, กเราก็ถูกใจก็เราไม่ช่างล้วก็ไม่ถูกใจแล้วก็เป็นไปตามสมมุติความทุกข์จึงเกิดอีไ่ไงเพราะเราไม่รู้จักสมมติเนี่ ต่อมาท่านก็เทศถึงเรื่องปุกโรโอปะปฏิ ช, ชิกกถปรามาเทนะคนว่าบุคคลนี้ท่านบอกว่าเราเห็นกายกับใจเนี่ยมันคูละอย่างกายเขาเรียกว่าเป็นอมาบรรยายว่าเป็นบุคคลแต่ใจเนี่ยบรรยายว่าเป็นปรามัตดคำว่าปรามัตดคือหมายความว่ามันไม่มีตัวตนคำว่าปรมัตดคือสัจจะเหมือนกับไฟกับสายไฟในโยม สายไฟเนี่ยเหมือนกับคนแต่ไฟที่มาอยู่ในสายเนี่ยมันกับปรมัตนะปุกรูปรมปฏิชจิกะตะประมัตเหนะบัญญัติว่ามันเป็นบุคคลอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาถ้าเรารู้เรื่องปรมัตแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้ความจริงว่ากายกับใจเนี่ยมันเป็นของถูกสมมุติขึ้นมามันไม่ใช่เราจริงๆก็เหมือนกับเรื่องธาตุเมื่อกี้นะ เรื่องเดียวกันนะดังนั้นท่านจึงเน้นให้มาปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสนาเพื่อให้เข้าใจความจริงของกายของใจเมื่อเข้าใจความจริงของกายเข้าใจไม่สําคัญว่าเราเป็นบุคคลตัวตนเราเขาเรานี้เป็นเพียงแต่ธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นที่เราได้จากอะไรได้จากพ่อจากแม่มาธาตุดินแล้ก็ได้กินอาหารทุกวันธาตุลมหาตน้ำมากินน้ําทุกวันธาตุลมก็ท่า หายใจเข้าไปทุกวันงธาตุไฟก็มีความธาตุร้อนอยู่ในกายเราก็หมุนก็นอยู่เนี้ยดินน้ำดวงไฟหมุนออกมาแล้วเมื่อดินน้ำดวงไฟมันทํางานสมดุลกันพอดีปับ๊บมันได้อีกสองธาตุ ว, ว่าอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุนะเป็นธาตุหพอธาตุหกกย่อแล้วเหลือสองคือกายกับใจลูกกับหนามแค่นั้นเองมาบัญญัติเป็นขึ้นมาเมื่อเรารู้อย่างนี้ปับ๊บมันก็ทําให้เราไม่สําคัญมั่นหมายในสมมุติหรือในบัญญัติว่าเป็นเรา ถือว่าเป็นสมมติใช้นะเหมือนกับเราเขาสมมติสมมุติคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านาก็นับถือกันเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าบทกดกเกษียณแล้วก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านแล้วเป็นอดีตไปแล้วอันนี้สมมุติว่าเป็นพระก๊กลาว่่ยกันอพอท่านซึ่งขึ้นมาหนุ่งเพลาผ้าลายธรรมดาแล้วก็ไม่กลับไม่ไหวแล้วเห็นไหมในโลกเขสมมุติกันอขึ้นมาอย่างนี้อันนี้สมมุติเป็นนายกรัฐมนตรีก็ให้เขาเขาให้ความนัถือให้ความสําคัญกันกลัว แต่ว่าหนึ่งถูกปลดออกจากนายกหมดเกษียณแล้วอพยพคนธรรมดาเยโลกก็จะอยู่ด้วยกันอย่างเนี้เราเราก็เลยเป็นอุปทานนึกว่ามันมีจริงแต่สมมุติขึ้นมาใช้นะมันก็เลยมีปัญหาเรือความทุกข์เพราะสําคัญผิดนะทีนี้ต่อมาท่านก็มาสวดเยเกจิกุสลาธรรมาสเพเตกุสลาโม่เลยตรงนี้เขาเรียกว่าจำมกนะคือของในโลกเลยมันมีเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่กันนะ เป็นคู่คู่ของคู่เหล่านี้เกิดมาจากอะไรคนของเราเนี่ยคู่แรกของคนที่เกิดมาไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายนะสิ่งแรกที่เกิดมาเป็นตัวตนเขาเราเนี่เรียกว่าเกิดกับดับเอามาบัญญัติว่าเกิดกับตายถ้าไปภาษาใจไปเรียกว่าเกิดกับดับเอามาภาษากายเลยว่าเกิดกับตายนะแต่เกิดกับดับนี่ทำงานตลอดเวลาเราจะเห็นว่าหายใจเข้าเป็นเกิดหายใจออกเป็นดับอ่า นั่งสบายเป็นดับนั่งปวดขึ้นมาเป็นเกิดเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็มาของคู่เท่านั้นทำที่เป็นคู่ทำเป็นกุศลอกุศลทำที่เป็นบุญเป็นบาปทำที่เป็นดีเป็นชั่วทำที่เป็นสุขเป็นทุกข์มาจากของคู่ทั้งหมดนะอันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติวิปัสนาเข้าใจยากเข้าใจยากเยเกจิกุสลาธรรมสัพเพเตกุสลามูเลเยวปาณากุสลามูรา ทำบางเราก็มีกุศล เ, เป็นมูลทำบางเราก็มีอกุศลเป็นมูลท่นว่าทำบางเหล่าที่มีกุศลเป็นมูลเพราะอะไร <M ist os> เพราะมีสติเราฝึกสติเราฝึกสมาธิปัญญาแล้วสิ่งไหนที่มากระทบแล้วเราก็กุศลก็เกิดขึ้นถ้าเราไม่ฝึกสติไม่ฝึกสมาธิไม่ฝึกปัญญาสิ่งที่มากระทบมันก็เกิดเปรตเกิดเป็นความโลภความโกรธความหลงเป็นอกุศลความทุกข์ก็ตามมาเห็นไหม ดังนั้นเองพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ทําให้เราฉลาดขึ้นในเรื่องของกายของใจแล้วไม่ทุกข์เพราะกายเพราะใจถ้าจาบใดเรายัางทุกข์เพราะกายเพราะใจเียเรียกว่าเรายังไม่ฉลาดในการใช้กายใช้ใจเวลาป่วยมากก็ทุกข์เพราะความป่วยเวลาเจ็บมากก็ทุกข์เพราะความเจ็บเวล า, าตายมากก็ทุกข์เพราะความตายลูกเราตายหัวเราตายเมียเราตายก็เป็นทุกข์ด้วยเรียกว่าเรายังไม่ฉลาดยังไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจได้ พอเรามาฝึกวิปัสสนาเข้าใจแล้วโอที่ตายนี่ไม่ใช่ลูกเราตายปู่เราตายเาายมีเราตายที่ตายนี่คือธาตุี่ขันห้า 5, มันถึงเวลาดับมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับแต่เราไม่รู้เรื่องการเกิดการดับเราก็คิดว่าตายจริงเกิดจริงเข้าใจยาวเหมือนกันนะนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเรียกว่าสัจธรรมนะทีนี้อันสุดท้าย อันเราก็มาสวดเฮตุปัจจะโยะรามณปัจจะโยติปติปัจจะโยนันตรปัจจะโยสมันตระปัจจะโยเราก็ฟังกันมาอย่างเนี้ไปงานไหนงานไหนใช่ไหมทำที่มีเหตุเป็นปัจจัะเฮตุปัจจะโยทำที่มีอารมณ์เป็นปัจจัะฟังแล้วมันเป็นปัจจัยปัจจะพระใหม่ไปสวดท่านก็รัดแต่ปัจจยเฮตุปัจจะโยอารามณปัจจะยรัดเอาปัจจะยพราะสวดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมีเหตุมีปัจจัยหมายความว่าทุกอย่างมี เหตุ <H ate> คือการเกิดปัดจจัยก็คือสิ่งที่ตามมาเช่นสมมุตินะสมมุติประกอบนิดหน่อยเพื่อให้เข้าใจถามว่าละครั้งเนี่ยมันมีไอเสียงไหมโยมละครั้งตั้งขนาดมีเสียงไหมมีไหมมีแต่เมื่อมีเหตุถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่ดังเหตุ <H ate> มันคืออะไรเหตุ <H ate> <H ate> คือตัวนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้ละครั้งละครั้งนี่ไม่มีเสียง อันนี้มีเสียงไหมไม่มีเหตุมันคือการกระทบถามว่าเสียงเกิดจากตัวนี้หรือเกิดจากตัวนี้อ่าถ้ามเกิดจากตัวนี้ก็ผิดเกิดจากตัวนี้เอเกิดจากการกระทบเสียงตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีแต่พอมีการกระทบจึงมีขึ้นเสียงที่เกิดนี่ขเขาเรียกว่าปัจจัยเหตุคือการกระทบ เสียงที่ดังนี่เขาเรียกว่าจัตใจนีเฮตุปเจโยนะแต่พอมากระทบจิตบ้างก็เป็นอารามณะปเจโยเสียงกับหูกระทบกันเสียงก็ไม่ใช่อารมณ์หูก็ไม่ใช่แต่พอกระทบปั๊บเกิดอารมณ์ก็อารมณ์พี่ใจสมมติเสียงด่าอย่างนี้นะเสียงด่ามาอารมณ์เป็นไงอารมณ์ไม่ดีแล้วอารามณะปัจโยมีอารมณม์เป็นปัจจัยอารามณะปเจโย อะไรเป็นเหตุเสียงกระทบหูเป็นเหตุถ้าเป็นเสียง ย, ยกยอ ป, อป้อนน่ะเสียงชมละ่ะอารมณ์ดีอารมณ์มโนปัจจะอยู่เนี่ยอารมณ์ดีเป็นปัจจัยทีนี้เราทันไหมเขาด่าเราเนี่ยเราถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจไม่ได้ฝึกพิปิศานาเพราะเขาด่าเราปับ๊บเราทันใจอ่อเฉยเฉยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าคนนั้นมีสติปัญญาสามารถรู้เท่าทันเสียงเมื่อเขาด่ามาเรา ทุกไหมไม่ทุกเพราะรู้ทันหยุดเลยแต่ถ้าคนไม่ ป, ปฏิบัติวิปสัสนานเนอร้ยอยทั้งร้อยพันทั้งพันเขาด่ามาก็าต้องไม่พอใจเขาชมมาก็พอใจเพราะเราไม่ได้ฝึกใจเพราะนักพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพื่อให้มารู้เหตุเหตุปัจยปจยุอารามณปปญอธิปฎีปฏิมีอธิบดีเป็นปัจจัยอะไรเป็นอธิบดีใจของเราเนี่ยเป็นอธิบดีใจนี้เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นอธิบดีเมื่อเป็นอย่างนั้นถ้าหากเราจะฝึก เหตุฝึกปัใจจัยให้มันถูกแล้วไม่ให้มันทุกข์ทําก็มาฝึกที่ใจพุทธเจ้าท่านแต่ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนยเสถ่ามโนมยามนาซาปุถุเทศนาภาสติวากโรติวา่ตาตะโตนางทุกขมานาเวติจะ ก, กังวะวะหตุประทงังปว่จัยของเราเนี่ยเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหนา้าใจเป็นอธิบุรีถ้าเราใจดีแล้วก็พูดก็ดีคิดก็ดีทําก็ดีความทุกข ความสุขก็ตามมาถ้าใจเราไม่ดีจะพูดก็ไม่ดีทำไม่ดีคิดก็ไม่ดีความทุกข์ก็ตามมานี่เป็นเหตุเป็นปจัจจัยอริมรานปัจจัยโยทิปฏิอานันตระประโยชน์สมาันตระประโยชน์ไทั้งหมดนะอันนี้เป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันอย่างนี้อันนี้ท่านเรียกว่าอาภิธรรมคือพูดถึงเรื่องเหตุเรื่องปจัจจัยเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอายตนะล้วนๆไม่เกี่ยวข้องด้วยสมมติบัญญัติภายนอก จนกระทั่งว่ามาวิเคราะห์กายกับใจตรงนี้ให้เห็นชัดแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เองทีนี้เมื่อท่านเทศจบเจ็ดคัมภีร์แล้วปรากฏว่าพระพุทธมันดาก็ได้บรรลุธรรมเหมือนกันเราก็เทวดาทั้งหลายที่มาฟังทำด้วยร่วมกับบรรดานี้ก็ได้ภูมิรธรรมเป็นโซดาสกีนาคานาคันมากมายพอถึงจบพรรษา ท่านก็เสด็จลงมาจากสวรรค์เสด็จมาลงที่เมืองไหนเมืองสังกัสนครเราก็เลยไปตักบาตรเทโวกันใช่ไหมวันออกพรรษาแล้วก็ถือเป็นพระเพณีเทโวโลหนะอ่าเป็นวันที่พระพุทธองค์ลงจากสวรรค์ว่างั้นลงจากสวรรค์มาแล้วก็ไปแต่ความจริงแล้วท่านก็ถ้าวิเคราะห์กันตามนะก็คือเมื่อท่านไปพักผ่อนอยู่ที่เทิงเขาหิมาลัย มืถึงวันกลับลงมาก็เปรงเมืองสังกัสรงทางเมืองสังกสรนาครไม่ใช่ลงเมืองก บ, บิละพัทเหมือนเดิมแล้วไปลงอีกเมืองหนึง่งก็ไปจักบาดกันที่เมืองนั้นนะแต่แล้วพุทธมัน ม, มันดานั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นนางศริมหามายาพุทธมันดาได้แก่ใครก็ได้แก่ใครก็ได้ที่มาถวายอาหารและท่านถือว่าเป็นแม่เป็นแม่ออกอเป็นแม่ออกออวันนี้พ่อมาวัดไหมแม่ออกมาวัดไหมพระเนน ถ้าหากว่าโยมมาวัดเนี่ยถือเป็นแม่ก็เรียกแม่ออกโยมผู้ชายมาวัดก็ถือว่าเป็นพ่อออกก็เรียกพ่ อ, อ, อไม่ออกพระพุทธเจ้าเหมือนกันผูใ้ใดมาทำถวายทำอาหารถวายท่า น, ท, านท่านก็ถือว่าเป็นแม่ออกก็เรียกเป็นพุทธมารดาอันนี้โดยสมมุตินะโดยสมมุตินะเพราะฉะนั้นถ้าโดยปรามัดเป็นยังไงโดยประมัดโดยประมัด สวรรค์มันมีกี่ชั้นทําไมต้องไปอยู่ชั้นดุสิตชั้นอื่นทําไมไม่ไปอยู่ทําไมไม่มีชั้นสูงสุดชั้นที่หเลยทําไมต้องอยู่อยู่ชั้นดุสิตสงสัยไหมแต่เวลาแสดงธรรมต้องมาแสดงธรรมที่ชั้นดาวดึงนะหมายความว่าอยู่นะอยู่ชั้นดุสิตอ่าสวรรค์หชั้นใช่ไหมเอามาก็แปลกใจว่าเอ้เวลาพานไปสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยเป็นเป็นที่อยู่ของคนสองประเภทนะหนึ่งพุทธมารดา สองพระโพธิสัตว์คนที่จะมาดัดสรุผู้ทีเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยต้องไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตนะแล้วก็มารดาของผู้ทธ่เจ้าต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตคนสองประเภทเอาทําไมมาเกิดท่านดาวดึงบ้างอ๋อมีปัญหาที่นี้เรามาดูคําว่าสวรรค์สวรรค์มาจากคําว่าสุขติสุขโตเนี่ยแปลว่าสวรรค์นะวัดป่าสุขโตคือสวรรค์ น, นั่นเอวัดป่าสุขโตวัดป่าสุขติ ทีนี้พอมาเขียนเป็นภาษาสันสกฤตก็เป็นสวระะสวราคะแปลว่าเป็นภาเขียนภาษาไทยก็สวรรค์แต่ภาษาบาลีก็สุกตินั่นเองเวลาเราไปส่งสุขไปเข า, าสุ อ, อไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดคือไปสุโตวนั่นนะวัดคโต้ไม่ว่าสู่ที่ชอบที่ชอบนะใครอยากจะไปสู่ที่ชอบที่ชอบก็ไปป่าสุโตอย่างเงี้ยไปสู่ที่ชอบที่ชอบอย่างงี้นทีนี้ในสวรรค์ก็มีหกชั้นถ้าไม่มีหกชั้นน่ะไม่เอาสัก ร้อชั้นหนึ่งมันจะได้ไปกันเยอะๆหน่อยถ้าไมมีหชั้นนี่น่าคิดนะนะสวรรค์ที่แท้จริงอยู่ที่ไหนสวรรค์โดยสมมติและสวรรค์โดยปรมัตาสวรรค์โดยปรมาสวรร์มี6ชั้นเหมือนกันคือสวรรค์ทางตาสวรรค์ทางหูสวรรค์ทางจมูกสวรรค์ทางลิ้นสวรรค์ทางกายและสวรรค์ทางใจตาเห็นรูปรู้สึกชอบคําว่าชอบเนี่ยใจมันใจมัน สบายใจมันเบิกบานโยมไปเห็นอะไรสวยๆเนะี่ยอยากจะได้ชอบชอบมากเหลือเกินน่ะเกิดสวรรค์ละเพราะฉะนั้นในสวรรค์คือตาเนี่ยชั้นจ่าตูมหาราชเรียกว่าจาตุตาเป็นใหญ่ในที่ทั้งสี่จึงว่าจ่ตุไงจา่าตูตาของเราเนี่ยมองไปทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตนออกใช้ตาทั้งนั้นใช้หูจมูกลิ้นกายนีย่ไปมองไม่ได้เพราะฉะนั้นตาเป็นใหญ่ในที่ทั้งสี่ชั้นใดก็มาเรียกสวรรค์ชั้น แรกเรียกว่าชั้นจาดูมหาราชมีเท้าทั้งสี่รักษาอยู่นะเท้าอะไรเท้าทนตรถเท้าเวรูปักเท้าเวรุนหะแล้วเท้าเวสวรรณใช่ไหมเท้าทั้งสี่เป็นเจ้าของสวนชั้นนี้ดูแลสวนชั้นนี้นั้นเวลาเราจะมีการงานอะไรที่สําคัญน่ะก็เลือกต้องไปบูชาเท้าทั้งสี่ไปยกหอบูชาเท้าทั้งสี่มีใช่ไหมเขาตั้งศาลเพียงจาน่ะ เพื่อมีการมีงานอะไรเพื่อให้งานเป็นไปด้วยความสะอาดสะดวกเรียบร้อยไม่ให้มันเกิดเลือกเกิดลาวก็ต้องไปตั้งสารเพียงตาบูชาท่าทั้ง4ี่กลายเป็นสวรรค์ชั้นจ่าดุมหาราชนะโดยปรมัตตก็ได้แก่ตากระทบรูปแล้วเกิดความพอใจเพราะฉะนั้นตาจึงเป็นที่เกิดทั้งสวรรค์แต่ถ้าตาไปกระทบรูปเขารูปที่ไม่สวยไม่งามเป็นอะไรมาไปดูเขา เขาท่าดีท่าดอยพอใจไหมแทนที่จะเป็นสวรรค์แล้วกลายเป็นอะไรล่ะทีนี้กลายเป็นนรกล่ะเพราะฉะนั้นตาประตูตาของเราเป็นทั้งประตูสวรรค์ทั้งประตูนรกและประตูนิพพานถ้าเห็นเฉยเฉยใครจะมาด่าก็ดูเห็นเฉยเฉยใครจะมาชมก็เฉยเฉยไม่พอใจไม่สแสดงความพอใจและไม่สแสดงความไม่พอใจเฉยเฉยลักษณะนี้ดูชื่อ ตาเห็นช se ื yay, uh ้อ huh. ช <So, Canada. c oughs> ื <izado> ่อเห็นอะไรสวยก็ไม่ได้คิดอยากได้เห็นเฉยเฉยพอเห็นอะไรน่าเกลียดน่ากลัวก็เห็นเฉยเฉยไม่ได้เกลียดได้กลัวตามด้วยลักษณะนี้เขาเรียกเห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญาการเห็นแบบนี้ก็ไปนิพพานเพราะฉะนั้นเรียวัฒวานจักขูทวานคือทั้งตาเนี่ยที่สวรรค์ชั้นที่สองเรียกว่าดาวดึงดาวดึงมาคือตาว่าดึงเขียนยังไงทําไมต้องมีสอกลัน ใช่ไหมมันมาจากคาว่าตาวะติงสาตาวะติงสางสคําเต็มของเขาพอมาเขียนภาษาบาเขียนภาษาสันสกีเป็นดาวดึงส์เป็นดาวดึงภาษาไทยก็ดาวดึงมันแปลว่า3าหมายความว่าอาการของร่างกายของเรามันมีอาการ3 2มอยู่บวกจิตเข้าไปด้วยเป็น33และหูของเราจึงหูดีเนี่ยสามารถฟังได้32เสียงเสียงในโลกมีแค่32เสียงใช่ไหม จิตเป็นผ hmm. ู And, oh God, Why? Why who ้รับ no ร so ู้เราสวรรค์ชั้นนี้ก็หเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวเพราะอะไรคนที่เป็นเจ้าของสวรรค์ชั้นที่สองนี่คือเท้าอะไรนะเท้าสกัดเทวราชหรือพระอินทร์เป็นเจ้าของสวรรค์ชั้นนี้เจ้าของสวรรค์ชั้นจารุมหาราชสใช่ไหมเท้าตัวเท้าปักเท้ายืนหาเท้าเวสุวรรณแต่ชั้นที่ดาวดึงโดยสมมุติก็ได้แก่สวรรค์ที่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์นุ่น แต่โดยปรามัตดโดยสัจธรรมสวรรค์ชั้นที่สองได้แก่หูหูสามารถฟังเสียงได้3 2มเสียงนะแม้แต่หลับตาแล้วหูก็ยังได้ยินอยู่นะได้ยินถ้าหากว่าได้ยินแล้วเราดีใจพอใจหูก็เรากลายเป็นสวรรค์ชั้นดาวาดึงถ้าได้ยินแล้วเขาด่าเขาว่าเขานินทาเสียใจหูก็นําไปนรกได้ยินแล้วเฉยๆได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไม่ดีใจด้วยไม่เสียด้วยหูก็นําไปนิพพานนี่ เพราะนั้นทังเรียกทวารทั้งหตาหู จ, จมูกลิ้นกายใจเป็นทั้งประตูนรกเป็นทั้งประตูสวรรค์และเป็นทั้งประตูนิพพานขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราได้ยินเสียงเป็นที่น่าพอใจเราพอใจด้วยเป็นสวรรค์ได้ยินเสียงเป็นที่น่าไม่น่าพอใจเราก็เป็นนรกไปตกนรกไปถ้าได้ยินเสียงเฉยๆได้เขาจะว่าให้ดีใจก็ไม่ดีใจด้วยเขาจะว่าเสียใจก็มาดีเสียใจด้วยนี่ก็เป็นนิพพานเห็นไหม สวรรค์ชั้นที่สองเรียกว่าดาววดึงนะสวรรค์ชั้นที่สามเรียกว่าอะไรนะชื่ออะไรนะชั้นยามาอ่ายามาพระยามาเทวราชเป็นผู้เจ้าของสวรรค์ชั้นนี้เอ้ยามานี่เับค้บคบคบคบคบายเขาผานะถ้าไม่มีมาเราเขียนว่ายามาไม่มีสาระอ่านว่าไงเป็นยามไหมเป็นครู่เป็นยามเอ้คนนี้รักษายาม คนนี้เป็นยามบ้านนี้มียามเพราะฉะนั้นคําว่ายามหมายถึงอะไรอ่าแล้เ ร, เรียกเสื้อหมายว่าเราพอพอใช่ไหมก็คือหน้า <c oughs> <c oughs> ที่ยามเนี่ยใครเป็นยามชีวิตของเราใครเรามียามอยู่สองกลุ่มหนึ่งยามของชีวิตสองยามของจิตใจยามของรูปและยามของนามยามของรูปใครเป็นยามของรูปใครเป็นคนดูแลร่างกายของเราตลอดเวลาเราขาดไม่ได้ยามคนเนี้ยขาดป๊อก็ตายเลยใคร พยายามาได้แก่จมูกลมหายใจขาดแม้แต่ไม่ถึงหนาทีแค่สามนาทีก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่สิ่งที่เป็นยามของชีวิตของเราคือลมหายใจอ่าหายใจเข้าหายใจออกเป็นเป็นยามนะเจ้าพยาญามาเพราะฉะนั้นจมูกของเราแต่ถ้าหากว่ายามของจิตใจเขามีสองคือสติสมัมยะสติสมัมยาเป็นยามของจิต ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นยามของชีวิตลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นยามของรูปสติสมัญญาเป็นยามของนามเพราะนั้นสวรรค์ชันนี้เรียกว่าชั้นยามาถ้าเราได้กลิ่นหอมเราพอใจเราก็ได้ไปสวรรค์ชั้นยามาเราได้กินเหม็นกินศพกิ่นซากเราไม่พอใจเราเสียใจมันก็เป็นทางไปนรกถ้าเราได้กินทั้งหอมทั้งเหม็นเฉย ๆ, ๆไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจ ใจแล้วก็ไปไหนก็ไปมรรคผลนิพพานเห็นไมจมูกจะนำไปนรกก็ได้จะนำไปสวรรค์ก็ได้นำไปนิพพานก็ได้แล้วแต่เราเลือกแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่ได้ฝึกสติไปล้วเลือกไปได้ไหมไม่ได้พอใจได้ได้กลิ่นหอมพอใจกระ้องพอใจไปกับเขาได้กลิ่นเหม็นเสียใจก็ไม่พอใจก็ไม่พอใจไปกับมันได้กลิ่นเฉยๆก็ไม่รู้ว่าได้กลิ่นนี้ไม่มีสติดังนั้นก็สวรรค์ชั้น อย่ามาได้แก่จมูกแล้วสวรรค์ชั้นต่อไปชั้นดุสิตได้แก่อะไรชั้นดุสิตโอ้เป็นสวรรค์ชั้นที่สําคัญมากประเทศไทยของเราชื่อว่าสร้างดุสิตมหาปราสาทขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเลยนะดุสิตมหาปราสาททําไมเอ า, าสวรรค์ชั้นดุสิตมาตั้งที่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยมีสวรรค์ชั้นดุสิตเยอะที่สุดล้านอาหารเนี่ยคนลินใช่ไหม ได้แก่ลิ้นที่ว่าตุสีตะนี่เป็นชื่อของปกตุ่มของลิ้นของเราลิ้นของเรามันมีตุ่มรับลิ้นเป็นประสาทรับลิ้นเป็นพันพันจุดอ่ะเป็นต่มเล็กเลเห็นไหมแลบลิ้นออกมาดูสิเป็นปุ่มเล็กๆเนีพราะว่าจุดประสาทรับรสเขาเรียกว่าเขาว่าปมปุ่มดุสิตดุสิตะแปลว่าพอพอใจแปลว่ายินดีนะแปลว่ายินดีแปลว่าพอใจดังนั้นสวรรค์ชั้นที่สี่ได้แก่รส ที่ถูกใจสวรรค์ที่หนึ่งได้แก่รูปที่ถูกใจสวรรค์ชั้นที่2ได้แก่เสียงที่ถูกใจสวรรค์ชั้นที่สามได้แก่กลิ่นที่ถูกจมูกสวรรค์ที่สี่ได้แก่รสที่ถูกลิ้นเพราะฉะนั้นในประเทศไทยจึงมีร้านอาหารมากที่สุดก็ถือว่าเป็นฟู้ดแบงค์แหล่งอาหารของโลกทีเดียวดีนี้เราก็ทําอาหารออกไปเป็นครัวของโลกทีเดียวประเทศไทยของเราเพราะเป็ที่ตั้งสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะฉะนั้นคนก็เลยมีโรคภัยไข้เจ็บเพราะกินมากที่สุดคนกินเยอะก็เป็นเรื่อง เป็นกิเลสเยอะก็เกิดปัญหามากที่สุดเกิดปัญหาเรื่องสุขภาพและนะสวรรค์ชั้นที่สีได้แก่ดุสิตอันนี้คือที่เป็นเป็นปรมามัดบัญญัตินะโยมจะรับได้ไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่สำคัญแต่ว่าปรมามัดบัญญัติคือสิ่งนี้แต่สมมติบัญหยาบนู่นอยู่นู่ น, อ ย, น, น, อ, ย น, นอยู่บนสวรรค์ น, นู่นเคยไปมากันหรือเปล่าเรไม่รู้ไมมีใครไปเห็นนะแต่ว่ากินอาหารอร่อยทุกวันในสวรรค์ชั้นนี้เราไปทุกวันนี่วันละหลายหลายครั้ง ร้านอาหารนี่ที่บ้านไม่อร่อยนู่นไปร้านอาหารที่สวรรค์ห้าดาวร้านอาหาร5ดาวร้านอาหารเจ็ ด, ดาวที่ไหนอยู่ที่ไหนใกล้ขนาดไหนก็ต้องไปเพราะสวรรค์5้ดาวมนเป็ร้านดุสิทธ์อยู่ตรงนั้นนะอาหารถุกลิ้นเนีาา่ยวันฉันดุสิทธิ์เพราะนั้นลิ้นสามารถที่จะนําไปสวรรค์เป็นที่อยู่ของคนสองประเภทพุทธมารดากับใครพระโพธิสัตว์เพราะปากกับลิ้นของเราทำหน้าที่สองอย่างทําหน้าที่อย่างที่หนึ่งคือกินอาหาร รถลดอาหารรัรู้ลดอาหารเรียกว่าพุทธมารดาหน้าที่อย่างที่สองคือเป็นโพธิสัตว์พอทําหน้าที่พูดดีสอนคนได้พุทธเจ้าท่านก็ใช้ภาษา ม, มุสิมสอนให้เรารู้ธทำพระท่านเทศให้ฟังเราเข้าใจเกิดปัญญาให้รู้ทำทำหน้าที่เป็นโพธิสัตว์นั้นคนสองประเภทเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตพุทธมารดาได้แก่ว่าเมื่อรถอาหารเป็นรถที่มีความดึงดูดจิตของสัมภัสสัตว์ทั้งหลายได้สูงสุด ถ้าใครสามารถตามกําหนดรู้รถได้โดยที่ไม่ยินดีพอใจในรถนั้นสามารถได้ปัญญาพุท ธ, ธะพุท ธ, ธะปัญญาพุท ธ, ธะมารดาได้แม่ของความรู้คือปัญญาที่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาหาถึงสมวาระวาระแรกเรียกว่าหยัทาปฏิยังวาระที่สองก็ว่าปฏิสั่งข้า ย, ยูนิโซวาระที่สามอชมายาพิจารณาสามวาระนั่นนะ ขนาดนั้นก็ยังคินก็ยังอร่อยยังพอใจอยู่ดีขนาดพิจารณาแล้วนะเพราะอะไรพเพราะเรายังไม่มีกรรมฐานนะขนาดก่อนที่ฉันเนีเออ่ยสิ่งเหล่านี้เป็นชาติตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่กําลังเป็นไปตามเหตุตปัจจัยอยู่นิดนะเคยพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตนตนเราเขาพิจารณาก่อนนะที่นี่นหากว่าใครตั้งใจพิจารณาอาหารทั้งสามวาระแล้วไม่เกิดความยินดีพอใจในรสอาหารเกิดความรู้ กินก็สักแต่ว่กินกลืนก็สักต่วะกลืนไม่ได้สําคัญมั่นหมายในความรสอร่อยหรือไม่อร่อยกินก็สักต่ว่กินนั้นเรียกว่าบุคคล น, นั้นกินอาหารได้เกิดปัญญาแบบพุท ธ, ธะพุท ธ, ธามานดานะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็อดไม่ได้ละมันก็ต้องอร่อยละนะอันนั้นเพราะว่าเราความเคยชินอุปทานของเราว่าไหนอาหารไม่อร่อยเรากินไม่ค่อยได้มากว่าไหนอาหารนะอร่อยกินได้มากได้ขึ้นสวรรค์นะวันนั้นกินอาหารอร่อยอาหารไม่อร่อยบางทีก็ได้ทะเลาะกันเลยนะ นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาพูดก็ทําหน้าที่พูดดีก็ทําได้สร้างสวรรค์ได้พูดไม่ดีก็ทําให้ตกนรกได้แต่พูดแล้วทําให้คนเข้าใจเข้าถึงธรรมะก็เป็นนิพพานได้แน่ลิ้นของเราเนี่ยเป็นเปิดประตูให้ไปสวรรค์ก็ได้เปิดประตูไปนรกก็ได้เปิดประตูไปนิพพานก็ได้ลิ้นของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยอาศัยลิ้นนี่แหละสอนทำคนแล้วก็คนเข้าใจธรรมะดังนั้น หน้าที่ของสวรรค์ชั้นดุสิตจึงมีสองหน้าที่คือหน้าที่ในการรับรสอาหารและหน้าที่ในการสอนธรรมแก่คนนะสวรรค์ชั้นที่สเรียกว่าสวรรค์ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นที่ห้ชื่ออะไรจำไม่ได้นะชาวพุทธเราเนะี่ยฮะสวรรค์ชั้นที่หชื่ออะไรนิมนาานมานรดีนิมมานรดีนะนิมมะนะอรยนิมมะ นรดีนะคำว่ารัตติคําหนึ่งนิมมะนิมมระคำหนึ่ ง, มมมมะะงแปลว่าเราสามารถนิมิตความสุขได้ตามพอใจนิมมารีแปลว่าร่างกายของเรานี่แหละสามารถนิมิตความสุขได้เพราะร่างกายเป็นที่ตั้งของตาหูจมูกลิ้นกายนะสามารถที่จะนิมิตทําอะไรก็ได้เนี่ย ถ้าคนมีร่างกายนิมิตอันนี้คือมาใช้ได้ไหมคนมีความรู้ดีดนิมิตอันนี้คือมาใช้ได้ไหมคนมีร่างกายดีนิมิตอันนี้คือมาใช้ต้องการอะไรนิมิตได้หมดอาศัยร่างกาย น, นี้เป็นฝ่ายนิมิตเพราะนั้นจึงคนไหนหโหดคนไหนสามารถทําอะไรได้ตามต้องการเ ข, า, า, า, รขาเรียกว่านิมิตสิ่งนั้นมาใช้ทุกอย่างรอบข้างเนี่ยกายนิมิตได้หมดคือเราลงมือทำด้วยมือของเราเนี่าายเพราะนั้นใครทําอะไรได้ตามต้องการเนี่ยสะดวกได้ตามต้องการ ร่างกายจึงเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นที่หก็ได้แก่ทางล่างของเราเนี่ยสามารถหาความสุขได้สัมผัสทางกายนิ่มนวลเย็นสบายเพราะฉะนั้นเราก็สวรรค์ชั้นที่หเราจึงต้องมาอยู่ด้วยความชีวิตจึงสแสวงหาสิ่งที่นิ่มนวลสิ่งที่อบอุน่นเพราะนั้นในโลกจึงไม่ ซึ่งสามารถที่จะอยู่ด้วยกันเป็นคู่เป็นผัวเป็นเมียเพื่อที่สแสวงหาความสัมผัสนะสัมผัสที่ร่างกายทั้งหมดรักเท้าจุดเท้าเนี่ยเป็นรับรูสัมผัสได้ทั้งหมดเป็นสวรรค์ชั้นที่5้านั้นคนเป็นโลกเอตโลกกามโลดกาม โ, โ, โลกทั้งหลายก็ตกนรกในสวรรค์นชนี้ชั้นที่หแต่ใครก็ตามเมื่อมีเย็นร้อนอ่อนแข็งมาสัมผัสร่างกายแล้วไม่ได้ยินดียินร้าย เย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงมาสัมผัสร่างกายยินดีดีดายินดีด้วยก็เป็นสวรรค์ถ้าไม่ยินดีด้วยไม่พอใจด้วยก็เป็นนรกถ้าหากว่าเราสัมผัสด้วยกายเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงแล้วรู้สึกซื่อเฉยเฉยไม่สแสดงความพอใจหรือไม่พอใจรู้สักตวรู้ในร่างกายนี้เป็นร่างกายก็เป็นประตูไปแท้ได้สวรรค์ไปทั้งนรกและไปทั้งนิพพานได้สัมผัสผัสสะของเราเนี่ยนะ นั่นแล้นิมมาดีแปลว่าสิ่งที่ร่างกายนินมิตได้ตามต้องการผัสสะนั่นเองนะนิมิตผัสสะได้ผัสสะดังร่างกายเราต้องการสัมผัสที่นิ่มนวลสัมผัสที่สบายสัมผัสที่มันสนุกสนานคนก็ไปติดยึดในสวรรค์ชั้นนี้เรียวกว่าสวรรค์ชั้นที่5อ้าวสวรรค์ชั้นสุดท้ายเรียวกว่าสวรรค์ชั้นที่6ชื่ออะไรสสประนิมิตศรดีใช่ไหม จะไม่ดิส ว, วรรชาอยู่ para ิ i m i t วดี w a d i p a แปลว่าผู้อื่นนิมิต t a swadi para n i m ส t t a s w a มีอำนาจโดยอาศัยผู้อื่นผู้อื่นไดก่ใครใจของเราเนี่เป็นสวรรค์ที่ออาศัยผู้อื่นมาอาศัยตาอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิน้นอาศัยกายเป็นรับเป็นที่ต้องการ ทำพังใจเขาเองถ้าไม่ได้อาศัายตาหูจมูกลิ้นกายมันทาอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นคาว่าปร ะ, ะหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายอ่าสำเร็จได้ตามอํานาจใ จ, จสําเร็จได้ตามอานาจมันจะอยากกินอาหารเนี่ยมันต้องใช้อะไรใจต้องใช้อะไรถึงจะสําเร็จตามที่ใจต้องการใช้ลิ้นใช่ไหมจะดูหนังฟังเพลงจะดูหนังก็ใช้ตาจะฟังเพลงก็ใช้หูอ่าจะนอนให้สบายก็ใช้กายเนี่ยเพราะฉะนั้นใจ มีอำนาจใช้ผู้อื่นได้ก็ปะนิมต์สวัสดิภาพกายนี่ถ้าตอบสนองได้ทุกอย่างที่ใจมันใช้เนี่ยใจนั้นเขาเรียกว่าเหมือนได้ไปสวรรค์แต่ถ้าหากพลังกายมันใช้ไม่ได้อ่ะจะใช้มือกับมือเป็นน้ำมาพึกจะใข้าขาขากับเป็นน้ำมาพัดจะใช้สมองกับสมองฝ้องเนี่ยใช้ไม่ได้ตามนั้นโอ้ใช้สวรรค์ไม่ได้ตามต้องการสวรรค์สำลุดแล้วทีนี้ก็ต้องไปซ่อมแซมเมื่อสวรรค์สมรุดเราจะไปซ่อมแซมที่ไหนล่ะ เมื่อไม่สบายอ่ะไปซ่อมแซมที่ไหนไปโรงพยาบาลนะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่ซ่อมแซมสวรรค์ของมนุษย์นะเพราะฉะนั้นจิตใจของเราเป็นสวรรค์ชั้นที่6สวรรค์ชั้นนี้สวรรค์ชั้นที่6เป็นอยู่เป็นที่อยู่ของบุคคลสองคนเป็นที่อยู่ทั้งพุทธและทั้งมารแต่มีบาลังเดียวมีที่นั่งเดียวแล้วแต่ใครจะแย่งได้บาลังเดียวคือใจของเราเนี่ยมันมีคนสองคนแย่งกันอยู่ มีความคิดดีกับความคิดไม่ดีความคิดถูกกับคิดผิดคิดบุญเรื้ยวคิดบาปวันหนึ่งเนี่ยระหว่างใจของเราระหว่างมันคิดดีกับไม่ดีอันไหนมันมากกว่ากันเราก็ให้รู้นั่นแหละถ้าความคิดดีมีมากกว่าหมายความพู้ทีเจ้าไปนั่งแทนถ้าความคิดที่ไม่ดีมีมากกว่ามารเข้าไปนั่งแทนมันก็จะแย่งกันอยู่เนี่ยระหว่างพูดกับมารพูดกับมารก็สู้กันตลอดเวลานี่ถ้าหาว่าคนไหนมีเจริญสติสมถทิปัญญาก็มีโอกาสได้เอาบัลลังก์นี้ให้ผู้ทีเจ้านั่ง คนไหนไม่สนใจเรื่องธรรมะเลยไป ก, ก็โรคปวดหลงอย่างเดียวหมายความบาลังนี้เป็นที่นั่งของมารอย่างเดียวคนนั้นก็จะทุกข์ไปตามเรื่องแหละตลอดชีวิตทุกข์ไปตามเพราะมารมบัญชาการมาร ม, มันไม่ใช้มาร ม, มันไม่ใช้ร่างกายนี้มันก็ไม่ได้ใช้ในทางที่ดีนะใช้ไปอะไรใช้ไปกินเหล่าใช้ไปเล่นไพ่ใช้ไปทํ า, ทาชั่วต่างๆแหละมีใช่ไหมมีไหมคนอย่างนั้นมีไหม ีเยอะแต่ถ้ า, ถาพุทธมานั่งในใจอันนี้ก็ใช้ให้เราไปรักษาศี้นไปฟังธรรมไปปฏิบัติทมไปประกอบคุณงามความดีไปช่วยเหลือผู้อื่นไปเมตตากรุณ า, าผู้อื่นนั่นหมายความว่าอันนั้นพุทธเขามานั่งละจึงใช้ร่างกายนี้ไปทางนั้น น, นมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยใครเป็นคนมาใช้ร่างกายนี้พขาพุทธเจ้าหรือมารโยมวันหนึ่งรับใช้มารหรือรับใช้พุทธเจ้าร่างกายนี้ เนี่ยตรงนี้เรงถึงจะรู้ว <im No> well. ่าเราในเป็นทาตของพุทธเจ้าหรือเป็นทาตของมารกันแน่แต่เวลาสวดพ right? ุทธาสุทัศน์พ <serio> ุทาสุทัศส์สามีทัโซว่าพุทธพุทธอเมโซพุทธพุทธเมโซมิกิสโลพุทธอเมโซมิกิสโลข้าพเจ้าเป็นทาตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสวดไปงั้นแต่ความจริงเราเป็นทาตุของความคิดอะไม่ได้เป็นทาตของความรู้ ถ้าเราเป็นธาตของความรู้สึกตัวเราเป็นธาตุของพุทธเจ้าถ้าเราเป็นธาตของความคิดเราเป็นธาตของมารความคิดก็จะพาไปชอบไม่ชอบมันชอบมันก็สนุกสนั้นตื่นเต้นมันไม่ชอบมันก็ง่วงเงาเหานอนไปต e, ามเรื่องของมาแล้วทีน่นี้เห็นไหมวัมนนี้เราแล้วแต่ใจของเรานี่จะเป็นใครมานั่งในแต่ละวัน อ, อยากจะให้พระุทธเจ้ามานั่งบ่อยๆก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพุทธเจ้าเข้ามานั่งแทนถ้าหาความรู้กดลงเข้ามานั่งแท น, klar, นก็มารก็มาละ เพราะฉะนั้นสวรรค์ชั้นที่หจึงเป็นที่อยู่ทั้งพู้ได้ทั้งมารแล้วแต่เราอยากจะไปถ้าอยากจะให้ไปสวรรค์นิพพานก็ให้พุทธิเจ้ามานั่งถ้าอยากจะไปอบายไปนรกสุคติวินิบาตก็ให้มารมานั่งถ้าคนส่วนใหญ่จะไปทางไหนคนส่วนใหญ่ชอบไปสวรรค์หรือไปนรกควที่อยากนะอยากจะไปสวรรค์แต่พฤติกรรมในทํานรกขึ้นแทนนะกินเหล้าเล่นไพ่เที่ยวสนุกสา น, านั้น ไปในทางที่เป็นใบยมุกทั้งหลายเห็นไหมอ๋อในที่สุดสวรรค์หกชั้นมาอยู่ตรงนี้เองตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ของจริงแล้วสวรรค์ที่เป็นนอกมิติเนี่ยเขาเรียกว่าสวรรค์ น, นอกพุทธศาสนาพุทธเจ้าถ้าไม่ได้จัรับรองอย่างนั้นนะสวรรค์ที่แท้จริงคือสวรรค์นในอายตนะทั้งหตาหูุ่จมูกลิ้นกายใจเพราะสวรรค์ตรงนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เปลี่ยนแปลงเป็นนรกก็ได้เปลี่ยนแปลงเป็นนิพพานก็ได้แล้วแต่ว่าเราเลือกแต่ถ้าเราไม่วิบัติษณานี่เราไม่มีทางเลือกนะอะไรเห็นเป็นที่น่าพอใจเราก็พอใจเลยไปสวรรค์ไปเห็นแล้วสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราก็ไม่พอใจเลยเป็นเห็นให้ไปนรกนะเลือกไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราเจริญสติสมาธิปัญญาเป็นประจําแล้วเนี่ยเราเลือกพอใจก็ได้เลือกไม่พอใจก็ได้เลือกเฉยๆก็ได้นี่เลือกได้นะ อันนี้ข้อดีของผู้ปฏิบัติวิปัสนาเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงทำอยู่นี่ที่เจ็ดกันปากฏว่าโอ้เจดีย์บดาในสวรรค์ก็ได้บรรลุธรรมกันเยอะนะเราก็เลยนิยมเอาเรื่องนี้มาแสดงหรือมาสวดในงานนี้เพื่อให้คนได้มาในงานศพเนี่ยมันเป็นคนที่จะต้องไม่สนุกสนานเละเลือเป็นเกิด มาปรุงในธรรมสังเวทพอถึงสี่สุดของชีวิตเราจะมาสนุกสนานได้อย่างไรเพราะนั้นคนก็จะมีสรัทธาตั้งใจฟังเมื่อตั้งใจฟังแล้วเกิดความเข้าใจในสัจธรรมเราก็จะไปเกิดในสวรรค์ได้คือใจแล้วใจดีใจใจร้ายเป็นผีใจดีเป็นพระใจด้อยใจรัเป็นพระนิพพานเขายังบอกใช่ไหมใจใจดีของเราก็ไปสวรรค์ดังนั้น เมื่อเราฟังในสิ่งที่มันเป็นอาจเป็นธรรมนี้เราเกิดใจสบายใจไม่ดึงไม่เครียดใจไม่ไปตื่นเต้ น, ตนสนุกสนานเพลิดเพลินจิตใจของเราเกิดมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นก็เป็นทางไปสู่สุคติคือไปสวรรค์นี่ท่านก็จึงเอาเรื่องนี้มาเทศแต่เวลาไปสวดไปฟังสวดอภิธรรมตามบ้านงานศพต่างๆพระไม่ได้เทศให้ฟังอย่างนี้เนาะพอเทศเสร็จแล้วก็ให้พรจบ ถ้าจะเทศทีก็เทศตามกรพีเรื่องอะไรก็ไม่รู้บางทีพระอื่นประเทศท่านก็ไม่ได้เทศเรื่องนี้เดยตรงอ่ะนะถ้าไปเทศเรื่องนี้โดยตรงถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติก็ฟังไม่ได้พระเทศไม่รู้เรื่องภาษาอะไรก็ไม่รู้นะแต่วันนี้มีนักนักปฏิบัติฟังเขาเทศเรื่องนี้ให้ฟังได้เพราะว่าเข้าใจสัญธรรมบ้างแล้วเข้าใจกายกเข้าใจใจแต่โยมไม่เคยปฏิบัติมาตจงต้องขอโทษทีอล้วยกก็ฟังเทศวันนี้ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเหมือนเธอ ว่าไม่รู้ว่าพระหมณ์ูอะไรนะมั่วกันหมดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องแค่สมมุติกับปรมัตุ์เรื่องของกายของใจเท่านั้นเองเรามาบรรยายว่าเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นนิพพานก็อยู่ในกายแค่กว้างศอกยาวหวานหนาคืบแค่นั้นเองนะดังนั้นท่านจึงมาจัดเป็นเรื่องของอภิธรรมและอภิธรรมเจ็คัมภีร์นี้เราเรียกว่าปรมัตทธรรมเดิม เรียกว่าปรมัตา ธ, ธรรมที่พุทธเจ้าท่านได้พิจารณาเรื่องปรมา ธ, ธรรมหรือปฏิจสุบาทในการเสวยวิมุติสุขในวันที่ในสั ป, ปดาห์ที่เจ็ดนะที่พิจารณาเรื่องนี้อันนั้นก็เราวิเคราะห์เรื่องนี้สวรรค์หกชั้นมาให้ฟังที่พุทธเจ้าได้นําไปแสดงไว้ในสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งโดยสมมุตินะโดยปรมัาสก็คือ ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้แก่สวรรค์หชั้นแต่ถ้าไม่ล็อกไว้แค่สวรรค์หชั้นถ้าไม่ใช่ความหมายนี้มันน่าจะเป็นเจ็ดชั้น8ชั้นนะนะแต่ไม่ได้6ชั้นก็หมายถึงอยายตนะหนี่เองแต่ในแง่ของสมมติสวรรค์ น, นอกพุทธศาสนาก็สวรรค์ น, นอกมิติ น, นู่นเหนือฟ้านรกใต้ดินนั่นนะเรียก ว, ว่าสวรรค์นรกนอกพุทธศาสนาแต่สวรรค์นรกในพุทธศาสนาหมายถึงกายกับใจอยจายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองนะ เพราะฉะนั nên, light, law, Race, with, mother, ้นอันนี so drawers, chercher, ant, aries, ้นักปฏิบัติเข้าใจได้แต่ถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติเข้าใจไม่ได้เรื่องนี้นะต้องไปปฏิบัติต้องไปศึกษาเรื่องวิปัสสนาก่อนที่จะจบมีใครสงสัยจะถามเรื่องนี้ไหมบางคนเอ๊ะคุณเจ้าวันนี้ผมฟังแล้วท่าแม่งท่าแม่งอยู่ไหมความเป็นไงถามได้นะคนไหนข้องใจสงสัยมีไหมขอเชิญขอเชิญ ่ไมมีบคอในปรามัดมันไม่มีนนนมมมมบุคคลเป็นสัจจะนะจะหาบุคคลไม่ได้ในปรามัดหมายเขาว่าในในธาตุในใ น, ในาธาตุสี่เนี่ยมันเป็นตัวตัวสภาเป็นรูปนะแต่ว่าปรามัตดคือตัวนามไม่ไฟมันอยู่ในสายไฟแต่ในไฟนั้นมันไม่มีสายไฟแต่ในสายไฟนั้นมีไฟ อ่าเอ า, อา ง, ง่ายกว่าในไฟไม่มีสายไฟนะแต่ในสายไฟนะั้นมีไฟนี่ไ ม, ไม่ไม่มีบุคคลในประมาทคือไม่ไมีอย่างนั้นเข้าใจได้ไหมอ่าเข้าใจได้นะถ้าหากว่าในตัวประมาทุประมาทุก็คือความจริงอันสูงสุดนะมาจากคาว่าบะระมะคือบ ร, ร, ร, รมคำหนึ่งอัถะ อธับแปลว่าความจริงปรมาัาภะสูงสุดปรมัจิตคือแปลว่าความจริงอันสูงสุดคืออะไรก็คือความรู้ที่มันอยู่ในตัวนี่แหละที่ไม่สามารถจะพูดออกมาเป็นคำพูดได้แต่สมมติออกมาได้นะสมมติออกมาว่าเป็นอย่างสมมติออกมาจับจับแขนเนี่ยถามว่ารู้สึกยังไงเนี่ยแต่และคนมาถามว่าอ้าวมาจับแขนเดามายมรู้สึกไหมไม่รู้สึกเพราะไม่ใช่แขนของฉัน ทีนี้อาโยมจ์จแขนตัวเองถามอาตมารู้สึกไหมอาตมาไม่รู้สึกเพราะไม่ใช่แขนือาตมาต่างคนต่างรู้สึกของขายของมันเรียกว่าปรามัดเข้าใจไหมความรู้สึกของขายของมันกินอาหาร อ, อร่อยเหลือเกินอารมประดิษฐ์อร่อยไหมอาตมาฉันโ ย, ยมอร่อยไหมโอ้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลิ้นของฉันรู้ใครรู้มันปรามัดรู้ใครรู้มันนั่นแหละคำว่าปรมัดคือของจริงฝรั่งกิน เกลือมันเค็มความเค็มที่ลิ้นของฝรั่งกับความเค็มที่ลิ้นของไทยนี่ต่างกันไหมความเค็มที่ลิ้นของทุกคนไม่ได้ต่างกันแต่ภาษาต่างกันภาษาไทยว่าเค็มภาษาฝรั่งว่าโซ่อเอมันคนละภาษาแล้วนี่อันนี้สมมุติมันต่างกันไปแต่ประมาตมันเดียวกันเราร้อนจีนร้อน คนไทยร้อนฝรั่งร้อนก็รู้สึกเดียวกันนั่นก็เรียกปรมัดปรามัดมันจะเป็นอันเดียวกันแต่สมมุติมันคนละอย่างนะเข้าใจนะความผิดเนาะโอเคอ้าวท่านผู้ใดสงสัยเรื่องสวรรคโลกถามมาให้เคลียร์ให้แช้งเลยวนะันนี้นะถ้าไม่แช้งแต่ฟังเราไม่รู้เรื่องไปอีกแบบนะแต่ถ้าฟังลราเข้าใจหมดหมายความว่าเออได้ดวงตาเห็นธรรมกันแล้ะคนไหนว่างฟังเราไม่รู้เรื่องเลยมีไหมยก่งอะไขึ้น ไม่น่าจะมีนะเป็นอันว่าเข้าใจกันทุกคนนะก็ข อ, อนมูธนาสายทุกในความตั้งใจที่เรามาวิเคราะห์เรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องนิพพานกันในวันนี้โดยอาศัยการฟังอภิธรรมเจ็ดคำพี่แล้วเกิดความเข้าใจว่าอาภิธรรมคือทำมันสูงสุดได้แก่ปรมาทินเองและทำอันนี้เองที่เราจะต้องปฏิบัติให้เกิดดวงใจทำให้เห็น ในส่วนที่เป็นในรูปและส่วนที่เป็นนามเพื่อเราจะได้เกิดปัญญาถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราให้เห็นว่ามันเป็นเพียงธาตุสขันห้าแล้วไม่ไปสําคัญมั่นหมายตรงนั้นเราก็สามารถถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นได้จิตก็เป็นอิสระจากความรักความชังความดีความชั่วอันนั้นเราก็จะพ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านทูน Ha ha ha.